อันนี้ก็สุดท้ายคือเป็นผู้มีความเห็นผิดคือมีความเห็นวิปริตเนี่ยนะว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลเนี่ยนะหลักการของเขาก็คือว่าทานเนี่ยคนโง่บัญญัติคนฉลาดเป็นคนรับ่ังกันะอันนี้คือกขาบอกว่ามันไม่มีผลอะไรอนะอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิถิอย่างนเลยมิจฉาทิถิอันนี้เนี่ยกรรมบดนะครบองค์กรรมบดนําเกิดไดนะ้ความเห็นอันเนี้ยนําเกิดได้นะ หรือการบูชาไม่มีผลการต้อนรับการเชื่อเชินไม่มีผลการมเส้นสวงหมายถึงการทําพุทธบูชาเป็นต้นนะนะอย่างสมัยพุทธกาลหลังๆพุทธปรินิพานใหม่ๆนะพระเจ้าชาตศัตรูเนี่ยจะฉลองพระาธาตุเนี่ยเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันอ่ะนะโครงการพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยจะฉลองพระาธาตุมากนะนะทีนี้ก็มีพวกมิจฉาทิฐิเนี่ย มีความเห็นว่าโอ้ยไปบุญวายอะไรกักระดูกมากกว่างั้นแล้วก็ตำเหนียนะไปเดือดร้อนไปอะไรกับกระดูกมากมายนะตายไปแล้วก็ตายไปแล้วอย่างเงี้ยคล้ายคําพูดลักษณะนี้ที่ที่เห็นว่าไม่มีผลอะไรเลยในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุตกนรกไม่ต่ํากว่าหกหมื่นนี่นะนั่นนะเป็นเปิดอีกเป็นเปรตอีกบาลเลยนะที่ที่ที่ไปดูหมิ่นในการบูชาพระธาตุเหล่านั้ น, น, นถือว่าไม่มีผลนั่นนะ คือบางทีอ่ะแม่บ้านก็โมแต่ไปบูชาพระธาตุจะไม่พ่อบ้านโวยวายอ่ะนะคือกลุ่มนั่นแหละที่ตกนรกอ่ะหรือว่าพ่อบ้านไปบูชาพระธาตุแม่บ้านโวยวายอ่ะกลุ่มนี้ที่ที่เป็นตัดใ จ, จให้ไปสัวบายเพราะปฏิเสธว่าการบูชาไม่มีผลไงหรือการต้อนรับการเชื่อเชอินเนี่ยไม่มีผลต้อนรับผู้มีคุณธรรมเป็นต้นไม่มีผลเนี่ยพู้นี้เป็นวิชา ท, ที่เจตนาอันนั้นเนี่ยนำเกิดได้หมดเลย หรือวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดีทําชั่วไม่มีนะทำดีก็ไม่ได้บุญทาดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วกไ็ไม่ชั่ววังงั้นเถอะไม่มีผลอะไรทั้งนั้นโลกนี้ไม่มีหมายถาว่ากรรมที่ทำในอดีตชาติมาให้ผลในโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีหมายถึงว่ากรรมที่ทำในโลกนี้จะไปให้ผลในโลกหน้าไม่มี อมารดาไม่มีบิดาไม่มีหมายถึงว่าทําดีทําชั่วกับพ่อแม่ไม่มีผลนะนะทําดีก็ก็เป็นอย่างนั้นนะทำไม่ดีก็อย่างนั้นนหะไม่มีผลอะไรนะนะอย่างที่ว่ามันมีเผ่าอยู่เผ่าหนึ่งนะว่าอายุมากอายุน้อยนะก็จะวัดดูก็ให้พ่อแม่เนี่ยขึ้นต้นไม้เราบอกว่าจับไม่ให้ดีนะเขาจะเขยา่าถ้าเขย่าแล้วถ้าเขย่าแล้วตกเป็นอันสมควรได้เวลาตายแล้วอย่างนั้นนะเพราะเผ่านี้ก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะบาป บ, บานเลย ก็ถือว่าพ่อแม่คือทําดีทํำชั่วกับพ่อแม่ไม่มีผลอะไรนะสัตว์ที่เป็นอุป ป, ปาติกะไม่มีพวกนี้ก็ปฏิเสธนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีปฏิเสธหมดอ่ะนะเขาก็เอาแค่ตาเนื้อที่มีขี้ตาเนี่ยเป็นเครื่องวัดนะที่เขาเห็นอะไรเขาก็เอาเชื่อแค่นั้นอย่าอื่นเกินกว่านั้นเขาไม่เชื่อหรอกเขาจะเอาแต่ตาเนื้อเนี่ยท่านี้เป็นเครื่องวัดอย่างเดียวบางก็มีเขาถามอา้าว ไหนท่านว่าสวรรค์มันมีอะไที่ไหนพาเขาไปดูหน่อยสิเหมือนกันหรือว่าผีมีอยู่ตรงไหนไหนนะไแต่ก็มีในพวกไม่เชื่อผีแต่กลัวผีจริงๆเลยนะกลางวันนี่ไม่มีเชื่อผีนี่ไม่มีสักคําอ่ะแต่กลางคืนนี่บ้านไม่ออกอ่ะอยู่บ้านแจเลยนะเอาสตังค์ไปเขาบอกว่าไปไว้ที่มืดๆนะห้าร้อยก็ไม่ไปเอานะกลัวขนาดนั้นอ่ะนะแต่ว่ากลางวันนี่ไม่เชื่อไม่ยอมรับคืนนี่กลัวผีจริงๆเลย ไม่รู้คนแบบนี้นมีนะรู้จักด้วยของมาก็รู้จักไม่น่าจะมีคนประเภทนี้ในโลกอีกเหมือนกันเพ <c oughs> ื่อที่ปฏิเสธสุดท้ายบอกว่าสมณพราหมณ์ผู้ดําเนินไปชอบปฏิบัติชอบผู้ทําโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามย่อมไม่มีในโลกข้อสุดท้ายนี่คือปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกอันนี้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าเลยเนี้ ดูกนจุนทะความไม่สะอาดทางใจเนี่ยนะสมอย่างอย่างนี้แหลดูก่อนจุนทะอากุศลกรรมบทมี10ประการนี้แหลดูก่อนจุนทะบุคคลผู้ประกอบด้วยอากุศลกรรมบท10ประการนี้เมื่อลุกขึ้นแต่เช้าจากที่นอนเนี่ยนะถึงจะจับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะไม่จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงจะจับต้องโคไม่สดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะไม่จับต้องโคไม่สดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะจับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะไม่จับหญ้าอันเขียวสดเนี่ยก็ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะบำเรอไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะไม่บำเรอไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเอง แม้จะเป็นผู้ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะเป็นผู้ไม่ประนมอัญเชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะลงน้ํวะอ่าสามครั้งเนี่ยนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะไม่ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าอากุศลกรรมบทสิบประการนี้เป็นความไม่สะอาดด้วยเป็นตัวกระทำให้ไม่สะอาดด้วยดูก่อนจุนทะก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยอากุศลกรรมบทสิบประการนี้นรกจึงปรากฏเนี่ยนะคือนรกไม่มีรอกนะถ้าไม่ถ้าไม่มีไออากุศลกรรมบทเนี่ยนะกเนิดสัตว์เดรัจฉานจึงปรากฏเปรติวิสัยจึงปรากฏหรือทุคติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงมี ให้รู้เธอว่าเวลาเราเห็นสัตว์ที่เรียกว่าอบายนะมาจากการผิดอกุศลกรรมบด ท, ทั้งนั้นตัวที่มากัดกวนเวลาฟังธรรมอ่ะนะให้รู้ว่าเป็นผลของการไม่รักษากุศลกรรมบดอ่ะนะถ้าไม่ถ้าเขารักษากุศลกรรมบดตรเขาจะมาเกิดเป็นยุงทำไมใช่ไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกยุงพวกแมลงสาพวกมอดพวกปลวกพวกหนูแมลงโดยใหญ่ขึ้นเป็นกาไก่เป็นสุนัขเป็นหมูเป็น ช้างเป็นวัวเป็นควายเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยผลของการล่วงอกุศลกรรมบทเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน้อมแต่นะ้าจะเจริญกรรมาสกตานะน้อมไปได้เลยว่าสัตว์เรานีเนี่ยเป็นผลอย่างเบาเออเป็นผลของการล่วงอัุศลกรรมบทนั้นๆนั่นเองนันถ้าคำว่าบวงสรวงก็คือพุทธบูชาเป็นต้นนั่นเองเอ่าไม่ใช่บวงสรวงแบบไทยนะ หมายถึงการทำพุทธบูชาเป็นต้นการบูชาพระเจดีย์เป็นต้นนั่นเองหรื อ, อคำว่าเส้นสวกอีกที่หนึ่งหมายถึงการต้อนรับการเชื้อเชิญผู้มีคุณธรรมทั้งหลายน่นะคือเป็นเป็นกิจกรรมในกุศลนั่ น, น, นเอง่นะเสร็จแล้วพวกมิจฉาทิฏฐินี้ก็ปฏิเสธไม่ใช่เพราะพวกที่ประกอบด้วยอกุศนกรรมบทเสนี่จึงนับว่าเป็นความไม่สะอาดใน อารยวินัยนี้เนี่ยนะถึงจะไปประกอบด้วยลทัทธิใดก็ตามเธอมันก็ไม่สะอาดอยู่ดีดูก่อนจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างความสะอาดทางวาจานี่มี3อย่างความสะอาดทางใจนี่มี3มอย่างดูก่อนจุนทะความสะอาดทางกายเนี่ยนะสมอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางธนระ วางสาตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่อันนี้ก็เป็นความสะอาดกายอย่างหนึ่งและการลักทรัพย์ข่ะจากการลักทรัพย์ไม่ถือเอาวัตถุอันเป็นอุปกรณ์แก่เครื่องเปื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดเป็นขโมย ละการประพฤติผิดในการเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการไม่ถึงความเป็นผู้ล่วงในสตรีที่มารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายรักษาพี่น้องสาวรักษาญาติรักษาธรรมมรักษามีสามีมีอาบยาโดยรอบโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษคล้องแล้วด้วยพวงมาลัยดูก่อนจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างนี้แหลดูก่อนจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างคืออย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ ละการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดเท็จอยู่ในสภาในบริษัทในท่ามกลางญาติในท่ามกลางเสนาหรือในท่ามกลางราชสกุลถูกผู้อื่นนำไปเป็นพยานซักถามว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้นท่านเมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็บอกว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นหรือเมื่อเห็นก็บอกว่าเห็น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 ชอบคนผู้พร้อมเพียงเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพียงกันกล่าววาจาที่ทําให้คนเนี่ยพร้อมเพียงกันละคําหยาบเว้นขาดจากคําหยาบกล่าววาจาที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นคําของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจละคําเพ้อเจอ้อเว้นขาดจากคําเพ้อเจอ้อพูดถูกการพูดแต่คําที่เป็นจริงอิงคำพูดอิงวินัยพูดแต่คํามีหลักฐานมีที่อ้าง มีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรดูก่อนจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างนี้แหละนีะ่นผู้ที่ใช้วาจาเป็นนี่ก็เป็นความสะอาดทางวาจานะผู้ที่มีสัมมาวาจาดีเยี่ยมเลยนะคือใครนดัสูงสุดเลยก็พระพุทธเจ้านะท่านท่าใช้วาจาดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็ระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ดูก่อนจุนทะความสะอาดทางใจนี่มีสามอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่อยากได้ของผู้อื่นคืออนาพิชานี่นะคือไม่อยากได้วัตถุเป็นอุปกรณ์แก้ซั์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นแห่งบุคคลอื่นว่าชะนายนอวัตถุที่เป็นเครื่องอุปกรณ์แกทรั์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นพึงเป็นของเราดังนี้ ไม่มีจิตบองร้ายคือไม่มีความดําริในใจอันชั่วร้ายว่าสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความมุ่งร้ายกันไม่มีทุก์มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดอันนี้ก็เจริญเมตตานะคือไม่คิดแช่างชักหักกระดูกแต่คิดให้คนอื่นเขามีความสุขอันนคิดให้เขามีความเจริญคิดให้เขาไม่เบียดเบียนกันอันนี้ก็เป็นความสะอาดทางใจอย่างหนึ่ง มีความเห็นชอบคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่บุคคลให้แล้วเนี่ยมีผลการเส้นสวงคือคือการต้อนรับเชื้อเชิญนั่นแหละมีผลการบูชามีมผลผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วนี่มีอยู่โลกนี้มีหมายถึงกรรมที่ทําในชาติที่แล้วนะมีผลในโลกนี้หรือกรรมที่ลลกทําในโลกนี้ก็จะมีผลในโลกหน้ามารดานี้มีหมายถึงว่าถ้าทําดีทําชั่วกับมารดาก็มีผล บิดามีหมายถึงทำดีทำชั่วกับบิดาก็มีผลสัตว์ที่เป็นอุปปาติกะนี่มีหมายถึงนรกมีเปรตมีเทวดามีพรหมมีเป็นต้นนั่นเองสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปชอบผู้ปฏิบัติชอบธรำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามนี่มีอยู่นี่ก็คือการยอมรับพระพุทธเจ้านั่นนะดูก่อนจุนทะความสะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างนี้แลเนี่ย น, นะ ดูก่อนจุนทะกุศลกรรมบท10ประการนี้แหลดูก่อนจุนทะบุคคลประกอบด้วยกุศลกรรมบท10ประการนี้ลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรูถึงแม้จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองอนะคือคือการจับต้องมันเป็นกิริยาทางกายเฉยเฉใช่ไหม เพราะความสะอาดจริงๆมันอยู่ที่ที่จิตที่เป็นสมุทฐานแห่งกายวาจาและใจเนี่ยนะถ้าจิตเหล่านั้นไม่ถูกอกุศลกลุ่มรุมเลยเนี่ยนะหรือผู้ที่ประหารอากุศลได้โดยเด็ดขาดด้วยอริยมรรคเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นถึงจะจับสิ่งใดก็ไม่คือสะอาดหมดนะเนี่ยโดยเฉพาะสูงสุดเลยถ้าเป็นผาา้าหันเนี่ยท่านจะจับแผ่นดินท่านก็สะอาดอยู่แล้วไม่จับท่านก็สะอาดท่านจะจับต้องโคลไมสดท่านก็สะอาดไม่จับโคลไมสด ท่านก็สะอาดอยู่ดีถึงแม้จะจับหญ้าเขียวสดเนี่ยนะจั บ, จบท่านก็สะอาดอยู่นั่นแหละถ้าไม่จับท่านก็สะอาดอยู่ดีถึงแม้จะบำเรอไฟอ่ะนะเท่นเข้าโรงไฟเป็นต้นอ่ะนะก็สะอาดอยู่ดีหรือไม่เข้าก็ก็สะอาดอยู่ดีถึงแม้จะประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะลงน้ำเนี่ยนะสามครั้งทั้งเวลา เย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงไม่ลงน้ําก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่ากุศลกรรมบด10ประการนี้เป็นความสะอาดด้วยเป็นตัวกระทําให้สะอาดด้วยดูก่อนจุนทะก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยกุศลกรรมบด10ประการนี้เทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏเนี่ยสุขติทั้งหลายเนีเทวดาในชั้นต่างๆเนี่ยมีเพราะกุศลกรรมบทหรือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏ เนี่ยนะมันเวลาเห็นใครที่เรียกว่าเห็นมนุษย์ด้วยการนี้ก็มูติ่ตากับเขาได้เลยใช่ไหมนี่นะเขากุศลกรรมบดเข้าดีนะเขาจึงมาเกิดเป็นมนุษย์นะแล้วถ้าเราไปคิดอกุศลกรรมบดกับบุคคลเหล่านี้แย่แน่นะจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แน่ครั้งต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าเออที่เขาเกิดเป็นมนุษย์นี่เพราะกุศลกรรมบดนั่นเองเนี่ยนะหรือว่าสุขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงมีก็เพราะมีกุศลกรรมบดเนี่ยนะ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วนายจุนทะกรมารบุตรก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์นี้แจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะสรุปก็คือถึงไตรสนาคมเนี่ยนะตอนหลังท่านก็เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายก่อนจะก่อนที่พระองค์จะดับขันปริณิพานนั่นนะขณะในศีละพระตูปารทานเนี่ยนะคือคือเป็นความผิดหรือเรียกว่าข้อปฏิบัติที่ เกิดจากทิฏฐิเป็นสมุฐานในกายวาจาและใจนั้ น, น, นในขณนะ น, น, นั้นเป็นศีลพัตูปาทานศีลพัตูปาทานเนี่ยละจริงๆนี่ละที่ไหนสมุทเฉดเลยนะละด้วยโสดาปฏิมักนะคนอต้องเห็นอริยสัจจิงละโดยเด็ดขาดเนี่ยนะจิงละได้โดยเด็ดขาดจริงๆส่วนบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะก็ก็ละไม่ได้เด็ดขาด พระโพธิสัตว์เนี่ยนะตอนที่บำเพ็ญทุกระกิริยาเนี่ยตอนนั้นน่ะทิฏฐิของท่านก็ถือว่ า, าการทําทุกระกิริยานี้ทําให้บริสุทธิ์ได้เนี่ยนะอย่างอย่างอินเดียในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขาถือถือการเช่นการกระโยงการทําตัวให้มันเดือดร้อนเ่ยนะเขาถืออันนั้นแหละว่าเป็นข้อปฏิบัติทําให้บริสุทธิ์ที่คุ้นเคยกันในนามอัตตกิระมัฐานุโยคเนี่ยนะพวกนั้นก็เป็น ศีลพัตะปราโมทาทั้งนั้นนะก็ที่ที่ว่าจะถือว่าปฏิบัติอย่างนั้นแล้วจะทำให้บริสุทธิ์เนี่ยนะซึ่งถ้าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยตอนหลังก็รู้ว่ามันไม่มีสาระจริงใชนะ่ก็ถือว่าไอ้ความบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากการทำตนให้ลำบากแบบนั้นเห็นะท่านก็เลยมหาหันมาบำเพ็ญสปายะให้ได้เนี่ยนะทำส ป, ปายะขึ้น่ะนะคือ บางแห่งก็ไม่ได้ปฏิเสธในการทำตนให้ลำบากแต่ถ้าจะทำตัวให้ลำบากแล้วกุศลเจริญก็แนะนำเช่นถ้าถือการไม่นอนเป็นวัดแล้วกุศลเจริญอันนี้ก็แนะนำให้ทำใช่ไหมเพราะเป็นอะไรเป็นในสัจ ช, ชิกธนะทุดงในสัจ ช, ชิกันนะคือถือการไม่นอนเป็นวัดเนี่ยนะไม่มีอิรยาบทเยียดหลังเลยอย่างพระนรุธธรรมไม่เยียดหลังห้าบหปีอย่างนั้นหรือถ้า เป็นคนที่โลเลในอาหารมากอ่ะนะถ้าค่อนข้างอดอดหน่อยเนี่ยดีก็ถือฉันมือเดียวซะหรือถ้าได้ลงมือฉันนะใครเอามาประเคนอีกเป็นไม่รับอะ่ะฉันแค่นี้ก็พอละหรือว่าเป็นคนโลเลในเรื่องภาชนะก็ใช้ภาชนะเดียวในบาทอย่างเดียวหมดเรื่องหมดราวไปอ่านะก็คือหันมารักษาทุดงลักษณะนี้นะถ้าจะทําอย่างนั้นแล้วอกุศลมันลดลงกุศลเจริญขึ้นท่านแนะนําให้ทำเนี่ยนะ คือทุกขเวทนาบางอย่างเนี่ยนะเฉพาะทุกกายเนี่ยนะถ้าทำแล้วกุศลเจริญขึ้นอกุศลลดลงท่านให้ทำทุกขเวทนาทางกายเนี่ยไม่ใช่ว่าปฏิเสธโดยส่วนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวว่าใครที่เกิดมาไม่เคยอดอาหารเย็นเลยอย่างไงี้เนี่ยแล้วมาชวนรักษาอุโบสถมาบอกนั่นมันอัตตะกีรามาถานุโยกเนี่ยแย่เลยนะหนักๆเขานี่แหมถ้ากามมาสุขอย่างเดียวว่า ง, งั้นแต่มัชชมาย่แย่และนั่นนะ มันก็บางทีนะทุกขากายะวิญญาณจะเกิดบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะศีลพรตูปาทานเนี่ยนะยงที่กล่าวว่าจะละได้จริงๆก็ด้วยการ เ, าเห็นมักขสัตร์เนี่ยนะโดยเฉพาะมักขสัตร์เนี่ยจึงจะละ้ข้อปฏิบัติที่ผิดได้อย่างเด็ดขาดสมบูรณ์จริงๆเลยนะส่วนบุคคลทั่วๆไปนี่ก็ ในขณะที่เจริญกุศลก็ไม่ไม่เป็นศีลพัดตูปาทานอะไรส่วนผู้ที่ปร ะ, ะพฤติศีลพัตูปาทานเนี่ยนะอย่างประเทศไทยนี่ก็ก็มีอยู่ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะถือถือบริสุทธ์ด้วยประการต่างๆนะที่ที่ไม่ได้ถือความบริสุทธิ์ใน มักมีองแปดนะนะแต่ถือบริสุทธิ์ด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่มักมีองแปดนะนะความถือบริสุทธิ์ลักษณะนั้นแหละเป็นศีลพัตูตปาทานแต่ว่าในขณะที่เขาถือแบบนั้นไม่ใช่ถือด้วยกุศลจิตนะแต่ว่าศีลพัตูปาทานนี้ก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่เป็นปัจจัยแก่กุศลนะเป็นปัจจัยแก่กุศลอยู่เพราะว่าอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพนะทั้งที่เป็นภพที่เป็นการมาภบรูปประภพและอรูปประภพเนี่ยนะ ิไม่ใช่กุศลแต่เป็นปัจจัยแก่กุศลอ่าเป็นได้ครับเป็นปัจจัยแก่กุศลได้คธอเขาเือว่าถ้าสมมตินะยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องดื่มน้ำชนิดนี้นะแล้วทำชาญให้ได้นะการดื่มน้ำเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งที่จะทำให้บริสุทธิ์แล้วเจริญชานเนี่ยนะ แต่ความที่เขาดื่มน้ําด้วยเจริญฌานด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ทำจนได้ฌานจริงๆอ่ะนะเพราะไอ้นนทิฏฐิคือการดื่มน้ําอันนั้นเป็นปัใจจัยให้เกิดศีลพัตโตปาทานเขาก็ถืออาศัยว่าน้ําเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งทําให้เขาบริสุทธิ์เขาก็เขาก็ทําฌานได้จริงๆอย่างเนี้ย ก, ก็อันนี้ก็ถามคนที่เขากินว่าเขาถื อ, อยังไงนะเขาถือว่าถ้าเขาถือว่าเออเนี่ยอาหารที่เขาบริโภคเนี่ยทําให้เขา บริสุทธิ์ถึงก็เป็นอรารยะเพราะอาหารเนี่ยนะก็ถ้าถืออย่างนั้นก็ปฏิบัติผิดอะ่ะแต่ค่าด้วยเหตุผลอื่นเช่นผู้การเข้าชมรมรอบ่อยๆผู้การคิดยังไงอ่ะนะกา ร, การทั้งสอง<ห>นั่นแหละคิดยังไงอะ่ะอ๋อนะถ้าเพื่อสุขภาพแล้วก็สุขการถือว่ามันจะบริสุทธิ์เพราะอย่างนั้นไหมนั่นไม่ได้คิดมันก็ไม่เป็นอ่ะนะ<ม>คือบางคนเนี่ยเขาเขาไม่เขามังสวิรัตเพราะ เพราะเหตุผลว่าเขาข่าวเนี่ยนะบางคนนี่เหตุผลอย่างนั้นเท่านั้นเองเนี่ยนะบางคนก็เกิดมานี่ก็ได้กลิ่นเข่าไม่ได้เลยเนี่ยนะท่านเขาก็จะต้องทานมังสวิรัตไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วเขาก็ไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นแต่ในขณะเดียวกันนะนะว่าเรื่อยๆว่ะปุตตชนทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าไม่ศึกษาคําสอนที่ถูกต้องอ่ะเนะมันก็เอียงไปที่ที่ใดที่ที่หนึ่งอยู่แล้วไม่เข้าเรื่องนี้มันก็ไปเข้าเรื่องอื่น เพราะว่าโดยรวมๆแล้วนะปุตุชนมีธรรมะเครื่องเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีไม่ตันหาก็าทิฏฐิไม่ทิฏฐิก็มาณะเนี่ยเหมือนว น, ว น, ว น, วนอยู่แถวนี้แหละเงี้ยนะ ะ, นะะทิฏฐิที่เป็นนิขาที่เป็นทิฏฐิเนี่ยจะต้องมุ่งไปที่ความริสุทธทิ์เท่านั้นเองมีชื่อว่าเป็นทิฏฐิคือถ้าสิ่งใดแม้กระทั่งเขาไม่ถือเพื่อกามเนี่ยนะแม้กระทั่งสิ่งนั้นการกระทําเพื่อกามอ่ะนะ ทำด้วยอำ น, นาจที่ถีก็เป็นศิลปะต ร, ระปรามาสอย่างการบูชายันเนี่ยนะครับ mm. เขาเขาทำเพื่อกามนะอย่างอุรเวลกัสปะนี่บอกเลยเพราะว่ายันที่เขาทําคือการบูชาไฟ mm. การอาบน้ํำล้างบาปเนี่ยนะสันเสริมรูปเสียงปิ่นรถโรพธาภะและสตรีเ mm. นี่ยนะเขาทําเพื่อต้องการสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแต่ว่าข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นศิลปะตู ป, ปาทางเขาทําแล้วเขาจะไปได้สิ่งนั้นนอ่ะ น, นะนะนะได้จริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่ก็ถือก่อนนะนี ทีนี้ก็ถ้าเป็นฤาษีมาถือพรตอาบน้ําล้างบาปสักแสนคนเลยนะสมมติทําสักแสนคนเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของจํานวนปลาในแม่น้ํานั้นหรอกเนี่ยนะนะก็ปลาตัวใหญ่ๆหน่อยนะไข่แม่เดียวนั่นแหะรับได้หมดเลยน <c> ะ <oughs> ปลาหนึ่งตัวมีไข่กี่ฟองคุณนงเ <ๆ S 2> ยอะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะเป็นฤาษีเอยเป็นอะไรก็ได้อ่ะแล้วไปมีทิ่ทแบบนั้นนะถ้าจะ เพราะดำผุดนําไว้ชอบแบบนั้นไปแล้วก็มีอัธยาศัยเพื่อที่จะเป็นปลาอยู่แล้วเนี่ยนะแต่เกิดปลาท้องเดียวนี่พอแล้วเนี่ยนะปลาเนี่รับได้หมดเลยนะไม่มีพร่องมีแต่ขาดด้วยนะขาดตลาดด้วยซ้ําไปเขาคือเขานับถืออ่ะนะเขานับถืออย่างอินเดียเขาก็นับถือบัวอยู่แล้วมันคิดดูมันเดินได้เต็มท้องถนนไปหมดมั ซักเท้าสมัยนี้ต้องไปจับสบู่จับโคสดเสร็จต้องไปจับสบู่นะคือมันเป็นเครื่องซักฟอกสมัยโบราณนะะต้องเป็นชาติที่สองใช่ไหมครับหมายความว่าเขาทำสิ่งนี้แล้วในชาติที่สองต่อจากนี้มุ่งหวังทีนี้หรือว่าทําในปัจจุบันแล้วได้ผลในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นที่จิก็ทั้งสองอย่างนะทําทั้งปัจจุบันให้เพื่อให้ผลในปัจจุบันหรือว่าเพื่ออนาคตก็เป็นที่เิีทั้งคู่นั่นแหละ